ประสบการหลอนที่อ่างเก็บน้ำพัทยา ส, สัมผัสสยองวันนี้เราจะมาแบ่งปันประสบการณ์หลอนที่อ่างเก็บน้ำแถวพัทยาซึ่งมันเป็นเรื่องจริงของน้องผู้หญิงคนหนึ่ง ที่ได้ประสบพบเจอมาถึงแม้ว่าเวลามันจะล่วงเลยมานานมากประมาณห้าหปีแล้วข้อมูลบางอย่างอาจจะผิดพลาดไปบ้างแต่ก็อยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆได้รับฟังกันถ้าหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมณฑที่นี้ด้วยเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อสมัยที่เรายังเป็นเด็กถือได้ว่าเป็นสกอยคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ เชื่อว่าหลายๆคนก็เคยผ่านช่วงเวลานั้นมาเหมือนกันเราเป็นเด็กพัทยาอยู่กับกลุ่มพวกพี่ๆกลุ่มหนึ่งซึ่งเขาก็โตๆกันแล้วอายุประมาณ 20-30 ถึงปีได้พวกเขามักจะขี่รถเล่นไปสถานที่ตรงนั้นตรงนี้ในตอนกลางคืนเพื่อนั่งดื่มสุราเฮฮาปาร์ตี้กันตามระษาวัยรุ่นแต่เราเป็นคนไม่ดื่ม แค่ไปนั่งเล่นกับพวกพี่เขาเท่านั้นสถานที่ที่เราจะเล่านี้เป็นอ่างเก็บน้ำแห่งหนึ่งแถวแถวพัทยาแต่ก็ไม่ได้อยู่ในตัวเมืองจะอยู่นอกเขตพัทยาไปนิดหนึ่งซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำที่ใหญ่อยู่พอสมควรเราเคยมาที่นี่ตั้งแต่เด็กๆแล้วสมัยเด็กเราจะชอบมาเล่นน้ำกับครอบครัวพอเริ่มโตมาเป็นสกอย ก็จะมากับกลุ่มวัยรุ่นแทนคืนนั้นเป็นช่วงเวลาน่าจะประมาณหลังเที่ยงคืนแล้วพวกพี่พี่ที่ไปกันก็จะมีพี่ผู้ชายอยู่สามถึงสี่คนพี่ผู้หญิงอีกประมาณสองคนและเรากับเพื่อนผู้หญิงคนสนิทอีกหนึ่งคนที่ชื่อนิมพวกเราพากันขี่รถไปที่อ่างเก็บน้ำเรานั่งรถมอเตอร์ไซค์ของพี่เอกกับเพื่อนเราอัดกันสามคน นอกนั้นเขาก็นั่งซ้อนกันเป็นคู่ๆก่อนที่จะไปถึงยังจุดหมายพวกพี่เขาก็แวะเซเว่นอเลเแถวแถวอ่างเพื่อเตรียมเครื่องดื่มเตรียมสุรานละน้ำแข็งตามปกติพอขี่รถไปถึงหน้าทางเข้าก็รู้สึกกลัวเพราะข้างในมันมืดมากแล้วก็เคยได้ยินมาเหมือนกันว่าที่นี่มีเรื่องลี้ลับอยู่บ้าง พวกเราขี่กันมาเรื่อยๆพอเข้ามาถึงข้างในก็จะเป็นถนนเหล็กๆประมาณสองเลนเป็นทางยาวไปจนสุดขอบอ่างซ้ายมือเป็นอน่างเก็บน้ำขวามือเป็นป่าซึ่งตรงถนนจำไม่ได้ว่ามีไฟข้างทางหรือเปล่าแต่ถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นน่าจะไม่มีเพราะเราจำได้ว่ามันมืด มีขแสงไฟจากรถมอเตอร์ไซค์ของกลุ่มเราเท่านั้นที่อ่างนี้ก็มีวัยรุ่นมานั่งเล่นตอนกลางคืนอยู่บ้างแต่ไม่มากนักประมาณกลุ่มสองกลุ่มได้เพราะพวกเราไปถึงวัยรุ่นอีกกลุ่มก่อนหน้าเราก็กลับกันพอดีเราจึงไปนั่งกันตรงจุดหนึ่งริมทางซึ่งไม่รู้ว่าเรียกสะพานได้หรือเปล่าเพราะมันไม่ใช่สะพานข้ามแม่น้า แต่สามารถเข้าไปนั่งหรือยืนโกรกลมได้พอไปถึงพวกพี่ๆก็จองที่ในทันทีเอากื่องดื่มน้ําแข็งแก้วน้ําไปวางแล้วนั่งตั้งวงกันส่วนเราก็นั่งเล่นอยู่แถวๆนั้นในบริเวณใกล้ๆแล้วพวกพี่เขาก็พากันดื่มนั่งเล่นกันสักพักพี่เอกซึ่งเป็นคนมีของ ก็สัมผัสกับอะไรได้สักอย่างเขารู้สึกแปลกๆและบอกว่ารู้สึกแปลกตั้งแต่ตอนเข้ามาแล้วแต่พวกเราไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าพี่เขาคงคิดมากแล้วหลอนไปเองพวกเรานั่งเล่นไปได้สักพักนิมเพื่อนเราก็มีโทรศัพท์เขาแต่ในกลุ่มพวกพี่เขาคุยกันเสียงดังและยังเปิดเพลงกันอีกนิม ก็เลยเดินออกไปคุยโทรศัพท์เธอเดินไปตามถนนที่มืดมืดนั้นแล้วนิ่มก็เดินหายไปในความมืดเรามองไปในทิศทางที่มันเดินไปก็ไม่เห็นตัวมันเลยไม่รู้ว่ามันกล้าเดินไปคนเดียวได้ยังไงแต่เราก็ไม่กล้าที่จะเดินตามมันไปเพราะกลัวตอนนั้นทุกคนเฮฮากันมากคุยเล่น หัวรอกกันเสียงดังสนุกสนานเหมือนไม่กลัวกับความมืดและบรรยากาศในตอนนั้นเลยเวลาผ่านไปสักชั่วโมงหนึ่งได้พวกพี่เขาก็ยังนั่งสังสรรค์กันอยู่ส่วนเราก็นั่งเล่นอย่างเดียวสักพักเราก็เริ่มสังเกตเห็นพี่เอกดูเงียบผิดปกติจากที่ตอนแรกก็เฮฮาดีแต่อยู่ดีๆกลับนิ่งเงียบซะอย่างนั้น แล้วเราก็นึกถึงคำพูดของพี่เขาในตอนแรกที่บอกว่าพี่เขารู้สึกแปลกๆเราจึงถามพี่เขาไปว่าเป็นอะไรรึเปล่าพี่เอกบอกกับเราว่าพี่เอกรู้สึกเหมือนกับว่ามีคนกำลังจ้องมองพี่เอกอยู่พี่เอกพูดด้วยน้ำเสียงสั่นๆตัวพี่เอกเกรงเหมือนกลัวอะไรบางอย่างซึ่งมันก็ทำให้เรากลัวไปด้วย พอทุกคนได้ยินที่พี่เอกพูดดังนั้นก็เริ่มเงียบและดูเหมือนว่าจะเริ่มกลัวกันแล้วแต่พวกเขาก็ยังคงนั่งดื่มกันต่อสักพักพี่เอกก็ลุกขึ้นยืนเกาะขอบราวสะพานสายตา ม, มองไปโดยรอบตัวของเขาในตอนนั้นแข็งและสั่นไปหมดจู่ๆพี่เขาก็อุทานขึ้นมาเสียงดังว่าเฮ้ย hey! พร้อมกับเด้งตัวถอยหลังออกจากขอบราวสะพานทํามาทุกคนสะดุ้งตกใจด้วยความตื่นเต้นคิดว่าพี่เอกต้องเจออะไรแน่ๆ แ, แต่พี่เขาไม่ยอมบอกเงียบไม่พูดอะไรแล้วบอกว่ากลับกันเถอะซึ่งตอนนั้นพี่ทุกคนก็เริ่มรู้แล้วเพราะพี่เอกมักจะชอบเจอเรื่องพวกนี้อยู่บ่อยๆ หลังจากนั้นทุกคนก็พร้อมใจกันเก็บของด้วยความกลัวเราพยายามมองหานิ่มที่เดินไปคุยโทรศัพท์ตอนนี้มันก็ยังไม่กลับมาสักทีคิดว่ามันคุยโทรศัพท์กับแฟนแล้วทะเลาะ ก, กันหรือเปล่าจึงหายไปนานขนาดนั้นหายไปอยู่ในความมืดเป็นชั่วโมงแล้วไม่รู้ว่าอยู่ได้ยังไงเราจึงหันไปถามคนอื่ น, นว่า มีใครเห็นนิ่มบางไหมมันเดินกลับมาหรือยังแต่ทุกคนก็บอกว่าไม่เห็นเลยเราจึงตะโกนเรียกชื่อมันไปในทางเดินมืดๆที่มันเดินไปเพราเราก็ไม่กล้าที่จะเดินไปเหมือนกันพอเรียกได้สักพักจู่ๆมันก็เดินออกมาจากความมืดแต่ท่าทางของมันนั้นดูแปลกไปมันค่อยๆเดินออกมา ท่าทางเฉยๆหน้าตาซีดเซียวเหมือนจะร้องไห้เล่าเลยถามมันไปว่าทำไมไปอยู่ในที่มืดๆขนาดนั้นนิ่มมันก็เล่าให้เราฟังว่าขณะที่มันเดินไปเรื่อยๆและกําลังคุยโทรศัพท์อยู่นั้นก็ไปเจอลุงคนหนึ่งกําลังนั่งตกปลาอยู่ในความมืดด้วยความสงสัยว่าลุงมานั่งอะไรในที่มืดขนาดนี้นิ่ม เลยเดินเข้าไปถามลุงซึ่งตอนที่นิมมันเห็นลุงคนนั้นก็เห็นเป็นลักษณะเงาดำๆของลุงแก่ตัวเล็กๆนั่งหลังคอมปักเบ็ดตกปลากับมีถังน้ำใบเล็กๆที่มีปลาอยู่ในถังวางอยู่ข้างๆตัวลุงลุงเขาก็คุยกับนิมบอกว่ามาตกปลาพอคุยกันได้สักสองสามประโยคนิมก็ได้ยินเสียงเราตะโกนเรียกมัน มันเลยหันหลังกลับมามองเราตรงที่ที่เราอยู่หอมีแสงสว่างอยู่บ้างนิมมันก็เลยมองเห็นเราแต่เรามองไม่เห็นนิมพอนิมหันไปหาลุงอีกรังก็ปรากฏว่าลุงไม่อยู่แล้วไม่เหลือแม้แต่ถังกับเบ็ดตกปลาที่ปักไว้ลุงแกหายไปไวมากมันเป็นเวลาเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้น พอหนิมเล่าเสร็จเราก็เล่าให้พวกพี่ๆฟังพวกเขาต่างพากันกลัวรีบเก็บของเตรียมขี่รถกลับในตอนนั้นพวกเราทุกคนหันไปมองรอบๆก็มีแต่น้ำป่ามืดมๆและลมเย็นๆบรรยากาศของที่นี่มันชวนให้ขนลุกและหลอนเอามากๆ ม, มองไปทิศทางไหนก็จินตนาการไปเสียหมด พอเห็นอะไรดำๆเข้าก็จินตนาการว่าเป็นผีพวกเราเลยขี่รถกลับเราก็นั่งซ้อนพี่เอกด้วยกันกับนิ่มขี่ตามมาเป็นคันสุดท้ายเรานั่งกลางนิ่มนั่งหลังขณะที่กําลังขี่รถออกมาซึ่งห่างจากที่ที่เรานั่งเมื่อกี้ไม่ไกลมากนักอยู่ๆพี่เอกก็ทําท่าตกใจแล้วสะบัดขา ที่รถแบบเก๊ๆกลางๆพร้อมบิดคันเด้งเราก็แปลกใจถามว่ามีอะไรแต่พี่เอกก็ไม่ตอบจนเวลาผ่านไปประมาณห้านาทีด้วยความอยากรู้เราก็เลยถามย้ำอีกครั้งว่ามีอะไรหรือเปล่าพี่เอกจึงบอกว่าเมื่อกี้เหมือนมีคนมาจับขาพอหันไปมองก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังจับขาของเขาอยู่ เธอคนนั้นหันหน้ามามองพี่เอกส่วนลำตัวตั้งแต่อกลงไปก็ลากไปกับพื้นถนนถลายไปตามรถมอเตอร์ไซค์ที่พี่เอกขี่อยู่พี่เอกเลยตกใจจึงสะบัดขาออกพอหันไปมองอีกทีผู้หญิงคนนั้นก็หายไปแล้วแต่พอพี่เอกหันไปมองกระจกสองข้างก็เห็นขาเด็กห้อยอยู่บนคอของพี่เอกแต่โชคดี ที่พี่เอกยังควบคุมสติได้ไม่อย่างนั้นคงต้องตกใจจนลดลมแน่ๆเพราะเรากับเพื่อนได้ยินดังนั้นก็กลัวกันมากจนแทบจะร้องไห้หลังจากที่พวกเราขี่รถออกมานอกอ่างเรียบร้อยแล้วพี่เอกก็เล่าให้ฟังอีกว่าตอนที่เขารู้สึกว่ามีคนมองอยู่จึงลุกขึ้นมาจับขอบราวสะพานแล้วมองไปรอบๆ เพื่อหาสายตาที่มองมายังเขาเพราะพี่เอกหันลงไปมองข้างล่างก็เห็นหัวคนซึ่งไม่มีตัวมันเป็นหัวคนหลายๆหัวกองอยู่เต็มโขดหินดันล่างหัวเหล่านั้นจ้องมองมาที่พี่เอกเป็นสายตาเดียวกันหมดดวงตาที่มองมานั้นเบิกกว้างสายตาดุดดันดูน่ากลัวมันเหมือนกับคนอาฆาตแค้น พี่เอกเลยตกใจมากร้องตะโกนพร้อมเด้งตัวออกมาเพราะพวกเราได้ฟังดังนั้นก็หลอนมากขนลุกไปหมดโชคดีที่ไม่ได้เจอเข้ากับตัวเองหลังจากนั้นพวกปีพีเขาก็แยกย้ายกันกลับหรือพากันไปดื่มต่อที่บ้านก็ไม่รู้แต่รู้ว่าพวกเขาคงอารมณ์ค้างกันน่าดูส่วนเราพี่เอก และนิมก็ยังไม่กลับเลยชวนกันไปอากเก็บน้ําอีกที่หนึ่งซึ่งอยู่แถวแถวพัทยาเหมือนกันตอนนั้นไม่รู้คิดยังไงกันจึงไปกันสามคนระหว่างทางที่ไปบอกได้เลยว่าเปรี่ยวและหลอนมากไฟสลัวสลวมีป่าอยู่สองข้างทางยิงตอนที่ใกล้จะถึงอ่างข้างทางไม่มีไฟเลย ทางที่ไปนั้นจึงมืดมากขณะที่พี่เอกกำลังขี่รถไปเรื่อยๆจูๆ่ๆนิมมันก็มาซบที่หลังเราก้มหน้าและบอกว่ากลับกันเถอะเลี้ยวกลับเลยเราแปลกใจก็เลยถามนิมไปว่าเป็นอะไรแต่นิมก็ไม่ตอบบอกจะกลับอย่างเดียวแล้วทำเสียงเหมือนจะร้องไห้เพราะพี่เอกเห็นห้าไม่ดี จึงเลี้ยวรถกลับพเพราะขี่ห่างออกมาจากจุดที่เลี้ยวรถกลับนั้นได้ไม่นานนิ่มก็พูดด้วยเสียงสั่นว่ามิกีนิ่มเห็นลุงคนที่มันเจอที่อ่างนั้นมายืนอยู่ข้างถนนตรงทางที่มืดมืดลุงคนนั้นถือถังเล็กๆถังเดิมยืนยิ้มให้นิ่มและกวักมือเรียกนิ่มเลยก้มหน้าไม่กล้ามองแล้วรีบบอกให้กลับในทันที เพราะไม่กล้าไปต่อแล้วกลัวจะเจออีกพวกเราเลยตัดสินใจกันว่าจะกลับบ้านแล้วพี่เอกก็เลยขี่รถไปส่งพวกเราระหว่างทางที่ขี่กลับมานั้นบรรยากาศตลอดทางมันน่ากลัวมากพี่เอกขี่มาเรื่อยๆจนผ่านมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ร้างแล้วและยังสร้างไม่เสร็จตอนนั้นเราแปลกใจว่า ทำไมหมู่บ้านนี้ถึงร้างแถมยังสร้างไม่เสร็จอีกด้วยเราก็เลยทักไปว่าทำไมเขาปล่อยให้ล้างอ่ะซึ่งเราพูดตอนอยู่ที่หน้าหมู่บ้านพอดีพี่เอกก็ดูเราบอกว่าเฮ้ยอย่าทักแต่เราก็ยังไม่รู้ได้แต่แปลกใจว่าทำไมถึงทักไม่ได้ก็แค่หมู่บ้านเท่านั้นเองแต่เมื่อพี่เอกไม่อยากให้พูด เราก็เลยเงียบไปเพราะขี่รถผ่านหมู่บ้านนั้นมาได้ไม่ไกลนักอยู่ดีๆพี่เอก็หันมามองหน้าเราแล้วรีบหันกลับในทันทีแต่เราก็ไม่ได้สนใจเพราะกาลังหลอนกับข้างทางที่ขี่รถผ่านอยู่จนเข้าซอยที่มีบ้านคนมีรถวิ่งไปมาและมีแสงสว่างแล้วพี่เอก็พูดกับเราว่า ตอนที่เราทักที่หน้าหมู่บ้านร้างเพราะขี่ผ่านมาได้แป๊บเดียวพี่เอกมองกระจกข้างก็เห็นผู้หญิงผมยาวคนหนึ่งนั่งแทนที่เราพอพี่เอกหันหน้ามามองก็เห็นเป็นผู้หญิงผมยาวหน้าขาวปากแดงตาถลนจ้องมองมายังพี่เอกพี่เอกเลยรีบหันหน้าหนีแต่พอมองกระจกข้างอีกทีก็กลายเป็นเราเหมือนเดิม คืนนั้นเราหรอนกับเรื่องที่เกิดขึ้นเอามากๆโดนผีหลอกหลายตัวในคืนเดียวถึงแม้ว่าจะไม่ได้เห็นเองก็ตามและโชคดีที่พี่เอกเป็นคนจิตแข็งเอามากๆไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุซึ่งมันคงจะเลวร้ายยิ่งกว่านี้เป็นแน่หลังจากวันนั้นเราก็ไม่กล้าไปไหนตอนกลางคืนอีกเลย สัมผัสสยอง